ชาณวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนีมาติกาภิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมภะสังวรอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายรู้จักประมาณในกามบริโภคมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ตลอดปฐมยามและมชิมยาม มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปัจียธรรมอย่างต่อเนื่องมีปัญญาเป็นอุบายในคิดทั้งปวงภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการคลองผ้าสังคาติบาทและจีวอรหนึ่ง ทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งหนึ่งพิกษุนั้นอาศัยสศนาสนที่สังัดเช่นป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าดงที่แจ้งกองฟางที่สังัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกกระทึกน้อยไม่มีคนสัญจรไปมาไม่มีคนพลุกพล่านเหมาะเป็นที่หลีกเร้นภิกษุนั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐานภิกษุนั้นละอภิชาในโลกได้มีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความพยาบาัดและความคิดปรทุสายได้แล้ว มีจิตไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อกุลกระทั้งมวลชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายและถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่เป็นผู้ได้อาโลกสัญญามีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทจจกปุกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่มีจิตสงบภายในตน ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะปุกุจะและวิจิกิจชาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาภิกษุนั้นละนิวรห้าเหล่านี้ที่เป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองทอนกําลังปัญญาสงังอาจจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร์สงบรังับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติแจงคลายไปพิสุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุเจตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้มีสติบริสุทธ์เพราะโอเบขาอยู่เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนาสกานาณาตสัญญาจึงได้บรรลุอาการสานานจายตนะโดยบริกรรมว่าอาการไม่มีที่สุดดังนี้อยู่ เพราะก้าล่วงอากาสารนัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่เพราะก้าล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุอากินจัญญายตนะโดยบริกรรมว่าอะไรอะไรซักน้อยหนึ่งก็ไม่มีดังนี้เพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนะอยู่มาติกาจบมาติกานิเทศควาว่าในธรรมวินัยนี้อธิบายว่าในความเห็นนี้ในความพอใจนี้ ในความชอบใจนี้ในลัทธินี้ในธรรมนี้ในวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้ในปาโพจน์นี้ในพระมรรจา น, นี้และในคําสอนของพระศาสดานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าในธรรมวินัยนี้คําว่าภิกษุอธิบายว่าชื่อว่าพิกษุเพราะสมัญญาชื่อว่าพิกษุเพราะการปฏิญญาตนชื่อว่าภิกษุเพราะขอชื่อว่าพิกษุเพราะเป็นผู้ขอ ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เข้าถึงพิกขาจารย์ชื่อว่าภิกษุเพราะทรงผ้าที่ถูกทำลายชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายบาปอกุศลทำได้แล้วชื่อว่าภิกษุเพราะละกิเลสได้เฉพาะส่วนชื่อว่าภิกษุเพราะละกิเลสได้โดยไม่เฉพาะส่วนชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นพระเสขะชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นพระอาเซขะชื่อว่าภิกษุเพราะไม่เป็นพระอเสขาและพระอเสขะ ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เลิศชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เจริญชื่อว่าพิกษุเพราะเป็นผู้ผุดผ่องชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้มีสาระชื่อว่าพิกษุเพราะเป็นผู้อุ it, อปสมบทด้วยญาติเจตรร Barbie, ุตกรรมที่ไม่คำเริศสมควรแกร่เหตุด้วยสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันคำว่าปาติโมกอธ SI ar, ิบายว่าศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวม เป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นภูษณ์คำว่าสังวรอธิบายว่าความไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาและทั้งทางกายและวาจาคำว่าเป็นผู้สํารวมอธิบายว่าเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงพร้อมแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วยปาิโมขสังวร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้สํารวมด้วยปฏเตโมขสังวรนคำว่าอยู่อธิบายว่าเสื่มเนื่องกันอยู่ดาเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอธิบายว่าอาจาระก็มีอนาจาระก็มี ในสองอย่างนั้นอนาจาระเป็นไนความล่วงละเมิดทางกายทางวาจาทาั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่าอนาจาระความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าอนาจาระภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องสนานให้ไม้ชําระฟันการพูดยกย่องเพราะต้องการประจบให้เขารัก การพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแปงทัวการรับเลี้ยงเด็กการรับใช้ส่งข่าวสารหรือด้วยมิจฉาอาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเคียดนี้เรียกว่าอนาจาระอาจาระเป็นไนความไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาทั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่าอาจาระซีและสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าอาจาระ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผ ล, ลไม้ให้เครื่องสนานให้ไม้ชำระฟันการพูดยกย่องเพราะต้องการประจบให้เขารักการพูดถีเล่นทีจริงเหมือนแฟงทั่วการรับเลี้ยงเด็กการรับใช้ส่งข่าวสารหรือด้วยมิจฉาอาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจนี้เรียกว่าอาจาระ คำว่าโคจรอธิบายว่าโคจรก็มีอโคจรก็มีในสองอย่างนั้นอโคจรเป็นไนพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพร่สยามเป็นโคจรมีหญิงไม้เป็นโคจรมีสาวเธอเป็นโคจรมีบันดาะเป็นโคจรมีภิกษุณีเป็นโคจรหรือมีร้านสุราเป็นโคจรเป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหาอมาตย์ของพระราชาเดีร์ถีสาวกเดียรทีด้วยการคลุกคลือกพระรหัสที่ไม่สมควรหรือเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เป็นดุดบ่อน้ํามักด่าและบริพาทปราถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เลื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุขไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกพิกษุพิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าโคจรโคจรเป็นไนพิสูบบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีหญิงแพร่เสียเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีหญิงไม้เป็นโคจรไม่เป็นผู้มีสาวเธอเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีบรรเดาะเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจรไม่อยู่ครุกคลีกับพระราชา มหาอมาตย์ของพระราชาเดรทีสาวกเดรทีด้วยการคลุกเคลือกับครรหัสที่ไม่สมควรหรือเสพคบ้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นดุดบ่อน้ํารุ่งเรืองไปด้วยภาพกาสาวะอบอุ่นไปด้วยกลิ่นของรอยสีปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นความผาสุก ปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าโคจรภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยอาจารนี้และด้วยโคจรนี้ด้วยประการชนิเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรในคาว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยอธิบายว่า ในคำว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยนั้นโทษมีประมาณน้อยเป็นไนโทษอย่างต่ำอย่างเบาที่สมมติันว่าโทษเบาที่จะพึงทําด้วยความสำรวมระวังและด้วยจิตุบา ท, ที่เนื่องด้วยมนัสการเหล่านี้เรียกว่าโทษมีประมาณน้อยภิกษุเป็นผู้เห็นโทษภยัยความชั่วร้ายและเห็นการสลัดออกในโทษที่มีประมาณน้อยเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เห็นภายในโทษมีประมาณน้อยด้วยประการะชนีคำว่าสมทานศึกษาในสิกขาทั้งหลายนั้นสิกขาเป็นไนสิกขาสี่คือหนึ่งสิกขาของภิกษุเรียกว่าพิขุสิกขา 2. องสิกขาของภิกษุณีเรียกว่าพิขุนีสิกขาสามสิกขาของอุบาสกเรียกว่าอุบาสกสิกขาสี่ สิกขาของอุบาสิกาเรียกว่าอุปาสกาสิกขาเหล่านี้เรียกว่าสิกขาพิกษุสมาทานในสิกขาเหล่านี้ทั้งหมดด้วยการสมาทานทุกอย่างไม่ให้มีส่วนเหลือประพฤติอยู่ในสิกขาเหล่านี้ด้วยประกาศชนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสมาทานศึกษาในสิกขาทั้งหลายคําว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอธิบายว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มี ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มีในสองอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไนภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนสีนั้นซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงาได้ย่อมไม่รักษาจากขุนสี ไม่ถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงด้วยหูสูกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมณีสีนั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอคุโสลธรรมคืออภิชาและโทมนักครอบงำได้ย่อมไม่รักษามณีสีไม่ถึงความสำรวมในมณนีสี ความไม่คุ้มครองกริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สํารวมอินทรีย์หกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไนพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนรีนั้นซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุโรธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสี่ฟังเสียงทางหูสูกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผพธิภะทางกายรู้ธรมรมมรมณมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนิีสีนั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอาุโสธรรม คืออภิชาและโทมนักครอบงำได้ย่อมรักษามณีสีถึงความสำรวมในมณนีสีความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองความรักษาความสำรวมอินรีหกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินสีทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินสีทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอธิบายว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคก็มีความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคก็มีในสองอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนพิสูจน์บางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมา เพื so so ่อประเทิงผิวเพื่อความอ้วนผีความเป็นผู้ไม่สันโดดความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณความเป็นผู้ไม่พิจารณาในการบริโภคนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อความมัวเมา เพื่อประเทืงผิวและเพื่อความอ้วนผีแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตตินซีเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจะ ก, กําจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งชีวิตตินซีความไม่มีโทษและการอยู่โดยผ้าสุขจักมีแสเราดังนี้แล้วจึงบริโภคอาหารความสันโดษ ความเป็นผู้รู้จักประมาณการพิจารณาในการบริโภคนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคภิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคพิสุเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามเป็นไฉน พิสุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วกการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปธมยามแห่งราตรีสำเร็จสีลให้สายญาตด้วกการนอนตะแคงข้างขวาเท้าซ้อนเทา้ามีสติสัมปชัญญะตั้งใจว่า จะลุกขึ้นตลอดมัจฉิมยามแห่งราตรีชมราระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามด้วยประการฉนี้คำว่าความเพียรที่เป็นไปติดต่ออธิบายว่าการปรารกความเพียรทางใจสัมมาวายามะ คำว่าปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวงอธิบายว่าปัญญาาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในคำว่าเป็นผู้มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปัจขียธรรมนั้นโพธิปักจียธรรมเป็นไนโพชฌงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโพชฌงสองธรรมวิจยะสัมโพชฌงสวิริยสัมโพชฌง สี่ปีติสัมโพชงห้าปัสสติสัมโพชงหกสมาธิสัมโพชงเจ็ 7. อุเบกขาสัมโพชงเหล่านี้เรียกว่าโพธิปัจคียธรรมภิกษุเสพเจริญทําให้มากซึ่งโพธิปัจคียธรรมเหล่านั้นด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปัจคียธรรม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 ทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวไปถอยกลับหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและดูเหลียวดูหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะผููเข้าเหยียดออกหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการคลองผ้าสังขารติบาดและจีวรหนึ่ง เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งหนึ่งบรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นสติเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึก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 ปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าสัมปัญญะพิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปัญญะนี้ด้วยประการชนิด้วยการปฏิบัติอย่างนี้พิสุชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปัญญะก้าวไปถอยกลับหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปัญญะและดูเลี้ยวดูหนึ่ง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 คำว่าสังกัดอธิบายว่าแม้หาเสนาสนะจะอยู่ในที่ใกล้แต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าครหัดและบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นชื่อว่าสังัดแม้หาเสนาสนะจะอยู่ในที่ที่ห่างไกลแต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าครหัดและบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นก็ชื่อว่าสังัดคำว่าเสนาสนะอธิบายว่า เสนาสนะเพือเตียงต่างฟูกหมอนวิหารเพิงประสาทป้อมโรงกลมที่เร้นลับถ้ำโคนไม้พุ่มไผ่หรือสถานที่พิสูุยับยั้งอยู่ทั้งหมดนี้ชื่อว่าเสนาสนะคาว่าอาศัยเสนาสนะที่สงัดอยู่อธิบายว่าอาศัยอาศัยอยู่ด้วยดีพักอยู่เข้าไปพักอยู่พักอาศัยเสนาสนะที่สงัดนี้อยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอาศัยเสยนาสนะที่สังกัดอยู่คาว่าป่าอธิบายว่าสถานที่ออกไปนอกเขตเมืองทั้งหมดนี้ชื่อว่าป่าคาว่าโคนไม้อธิบายว่ารุกมูลคือโคนไม้บรรพศคือภูเขากันทะคือซอกเขาคิริคุหาหรือถ้าในภูเขาสุสานคือป่าช้าอภพอการคือที่แจ้ง ปลาละุญชะคือกองฟางคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่ห่างไกลคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่มีป่าทึบคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่ากวาดกลัวคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่าหวาดกลัวคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่ากลัวจนขนพองสยองกล้าคำว่าดงนี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่ตั้งอยู่ปลายแดนคําว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่ไม่อยู่ใกล้มนุษย์คําว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่อยู่ได้ยากคําว่ามีเสียงน้อยอธิบายว่าแม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ใกล้แต่เสนาสนนั้นไม่พุกพลาดด้วยเหล่าเครห์หัตและบัรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนนั้นจึงชื่อว่ามีเสียงน้อย แม้หาเสนาสนะจะอยู่ในที่ห่างไกลแต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าครหัตและบรรปะชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนานั้นก็ชื่อว่ามีเสียงน้อยคำว่ามีเสียงอืกทึกน้อยอธิบายว่าเสนาสน์ใดมีเสียงน้อยเสนาสนนั้นชื่อว่ามีเสียงอืกทึกน้อยเสนาสน์ใดมีเสียงอืกทึกน้อยเสนาสนานั้นชื่อว่าไม่มีคนสัญจรไปมา เสนาสนะใดไม่มีผู้คนสัญจรไปมาเสนาสนะนั้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้เสนาสนะใดเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้เสนาสนะนั้นก็ชื่อว่าสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่คำว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างอธิบายว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่าง คำว่านั่งคูบันลังอธิบายว่าเป็นผู้นั่งขัดสมาธิคำว่าตั้งกายตรงอธิบายว่ากายที่ดำรงไว้ตั้งไว้ย่อมเป็นกายตรงในคำว่าดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐานนั้นสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นอันภิกษุดำรงไว้มั่นแล้ว ตั้งไว้ดีแล้วที่ปลายจมูกหรือที่นิมิตเหนือริมฝีปากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าดํารงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมาฐานในคําว่าละอภิชาในโลกได้นั้นอภิชาเป็นไนความกําหนัดความกําหนัดนักความกําหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาโลกเป็นไนอุปาทานขันห้าชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลก อภิชานี้เป็นอันสงบประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยย่าไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าและอภิชาในโลกได้ในคำว่ามีจิตปราศจากอภิชานั้นจิตเป็นไนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติปราศจากอภิชาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตปราศจากอภิชาคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ในคำว่าชํามระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชานั้นอภิชาเป็นไน ความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนกแข่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาจิตเป็นไนจิตมโนมนัดมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตพิสุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากอภิชานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชา คำว่าและความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้วอธิบายว่าความพยาบาทก็มีความประทุษร้ายก็มีในสองอย่างนั้นความพยาบาทเป็นไนจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความพลุ่งพล่านโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ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 ความพยาบาทอันใดอันนั้นเป็นความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายอันใดอันนั้นเป็นความพยาบาทความพยาบาทนี้และความคิดประทุษร้ายนี้เป็นอันสงบระงับสงบเมียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า และความพยาบามและความที่ประทุษร้ายได้แล้วในคำว่ามีจิตไม่พยาบาทนั้นจิตเป็นไนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นจิตไม่พยาบาทเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตไม่พยาบาทคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่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 ความคิดประทุษร้ายเป็นไนความพยาบาทอันใดอันนั้นเป็นความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายอันใดอันนั้นเป็นความพยาบามจิตเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากความพยาบามและความคิดประทุษร้ายนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพิยบาทและความคิดประทุษร้ายคําว่าละทีนมิทะได้แล้วอธิบายว่าทีนมิทะนั้นแยกเป็นทีนะอย่างหนึ่งมิทะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นทีนะเป็นไนความหดหู่ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความ ท, อท้มทอถอยแห่งใจความย่อหย่อนกิริยาที่ย่อย่อนภาวะที่ย่อย่อน ความท้อถอยกิริยาที่ท้อถอยภาวะที่ท้อถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะมิทะเป็นไฉนความไม่สะดวกกายความไม่ควรแต่การงานความหงอยเหงาความซบเซาแห่งกายความม่วงนอนความม่วงซึมความหลับความงกง่วงความอยากหลับกิริยาที่อยากหลับภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทะ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 เพราะสลายคลายปล่อยวางสละคืนลและและสละคืนถีนมิทะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะคำว่าอยู่อธิบายว่าละถึงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ในคำว่าได้อารุ ก, กสัญญานั้นสัญญาเป็นไนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จาได้นี้เรียกว่าสัญญา สัญญานี้เป็นความสว่างเปิดเผยบริสุทธิ์ผองใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าได้อโลคสัญญาในคำว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะ ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญานี้ด้วยประกาศนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคำว่าชาระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะอธิบายว่าถีนมิทะนั้นแยกเป็นถี น, อนถะอย่างหนึ่งมิทะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นถีนะเป็นไฉไรความหดหู่และถึง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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนามิทะคําว่าละอุทจจะปุกุจจะได้แล้วอธิบายว่าอุทจจกปุกุจจนั้นแยกเป็นอุทจจะอย่างหนึ่งปุกุจจะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นอุทจจะเป็นไนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความสั่สายแห่งจิตภาวะที่พลาดไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทัจจะ ปุกปุจจะเป็นไนความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรมีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษความรำคาญกิริยาที่รำคาญภาวะที่รำคาญความเดือดร้อนใจความยุ่งใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าปุกปุจจะอุัะจะและปุกปุจจะนี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไป ดับสิ้นไปถูกทําให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือแทงไปให้เหือแทงไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละอุทะจะกุกุจจะได้แล้ว